วันนี้ก็พุทธบริษัททั้งกระหัสถายวันปฏิทิภทั้งหลายจงพาคันตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาของเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งมีความภาลบความเรื่องไรในพระพุทธธรรมประสงค์ จึงไม่มีศรัทธามารวมเสน่นสมโมสรนทีนี้เพื่อจะฟังเพื่อจะถวายถ้าอาบนฝตามการตามสมัยที่พวกเราทั้งหลายเคยปฏิบัติธรรมกันมาทุกปีนี้เลยผ่านวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเป็นนั่นเหมือนกันฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย มาอัดจุดตาฟังธรรมในที่นี้มันก็มีความลําบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั่งก็เป็นทุกข์เพราะว่านั่งโดยการทารุนั่งโดยการครวะ่างกายมันก็เป็นการที่บังคับตายบังคับจิตไปในตัวของมันอันนี้ก็ดีแมนแต่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 ต้องอดทนทางใายการไม่นั่งไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ได้ตามป่าถนานั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางใายมันเกิดขึ้นมามันก็เบี่ยวยงไปถึงทางใจด้วยเมื่อกายเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่สบายเพราะว่ามันเป็นเครื่องสําพัญกันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถึงเม้อย่างไรก็ตามเถอะ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 ทลายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เช่นมาตาของเราไปดูรูปมันก็ส่งไ ป, ปหายใจหูของเราฟังเสียงมันก็ส่งไปหายใจเป็นผู้ทํางานจมูกร้อนปริม่มมันก็ส่งไปให้ยใจเป็นผู้ทํางานนิ้นริมรถมันก็ส่งหายใจทํางานโธ่สภาสุขซ่องทางกายเป็นต้นมันก็ส่งไปหายใจทํางาน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 ตามันไม่รับรู้มันส่งเข้ามาเท่านั้นแหละงานเขามันมีเท่านั้นโหมันก็มีเท่านั้นมันรับแล้วมันก็ส่งเข้ามามันไม่ดูเรื่องมันในรับความผิดชอบต่อใครเท่งนั้นแหละรินก็ดีกายก็ดีเป็นต้นมันรับส่งเข้าโรงงานแล้วมันก็เฉยมันหมดพารามันแล้วนะมันจําเป็นมันก็ไปเป็นภาราอยู่ที่ใจฉะนั้นใจนี่จึงไม่ค่อยสบาย ใครๆก็ไม่สบายใจโดยมากกับขมาหลวงพ่อหลวงปู่โภงมาตราหลวงพ่อมาทำไมอีสันไม่สบายใจเพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหูมากระทบมันกระโจนามาจะมูกระทบอะไรมันกระโจนามาทีนั่นเนี่ยอืฉะนั้นคนไม่สบายใจแล้วจึงเขามาหาวัดจึงขงมาหาครูบาอาจารย์แก้ความทุกข์ยากลําบาก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 คือมันคุมทุกมไม่ได้ฉะนั้นธรรมรปฏิบัตินั้นอนิสาบูชาปฏิบัติบตูชานี้มันนำทุกข์ออกจากใจเราได้เมื่อเราไปประพฤติปฏิบัติเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วมันปรหมดปัญหาท่านั้นฉะนั้นื่อพวกตามส่วนเราเราเราทุกคนนั่นน่ะที่มาในสลาลุนธรรมปังธรรมอยู่ในวันนี้ไม่มีคนรวย มีแต่คนทุกข์นะคนพอแล้วก็ยังไม่มีมีแต่คนไม่พอนะแต่ว่ามีคนมากน้อยาก่าการแต่ว่ายังไม่พอสักคนหนึ่งคนรวยแล้วก็คนอื่นเพราะว่าที่เจ้าของนั่นไปถามแล้วก็ว่าไม่รวยในเมืองอบนนี่นอกจากเมืองกรบบนกานี่ไปถึงเมืองนอกอั ต, ตมาก็ยังไม่เคยเห็นคนรวย ยังเหลือแต่คนยังไม่พอคนไม่พอเนี่ยเยอะไป ม, มีคนพอไม่พอนีอันนี้เป็นเพราะอันไรเป็นเพราะเราไม่ทิจารณาสิ่งที่ปัจจุบันมันสกิดขึ้นมานี้ให้รู้เท่าตามเป็นจริงของมันเทีย่ยวก็คิดว่าคนนั่นเขารวยกว่าเราเราก็ไม่สบายใจดูคนหน้าเขาก็รวยกว่าเราอยูก่ก็ไม่สบายใจ วันหนึ่งเมื่อปีที่สองปีที่แล้วมาโยมบุปถากอาตมาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยตั้งเชิญมาขโมยรถคันหนึ่งไปก็วิ่งมาหาอาตมาไม่สบายใจหลวงพ่อรถคันเดียวเขาก็เอาไปแล้วทิฉันจะไม่มีอะไรซะแล้วพวูดเด้ยวนำตาขยลดลงนําตาขยลดลงนะอย่างนี้ได้แก้ทุกข์กันไปสัก ประมาณสักก0นาทีแล้วก็มีโยมจำบลญํำขวงมาหาอีกคนนึงนบักาพงทำไมท่านพ่อเมื่อวานเือคืนนี้บ้านผมตายสี่คนทำไมเนียบผมก็ตายรูปผมก็ตายตายหมดสี่คนเลยครับทำไมกินแกงเหตดมันเยอเหตดมันไลยตาย ทีนี้ยอมอาตมาที่อยู่ร้อยเอ็ดนั้นมีห น, น้าบานขึ้นไปหน่อยนึ่งอาตมาได้ทา อ, อามาัยอมเปลี่ยนกันเอาไหมรถหายคันหนึ่งกับคนตายสี่คนเปลี่ยนกันเอาไห ม, มนี่ว่ายังไงนคนคนที่รถหายนั่นก็เลยหัวเลาะเป็นมาเลยแต่รถยังไม่ได้มาเลยนะดีใจแล้วก็เพราะว่าเขาตายสี่คนมันหนักตัวเราแล้วเราดีเบา ทางรถยังไม่ได้มาเลยหัวเราะเป็นได้ทีเดียวว่าานั่นชีวิต ค, คนเขาตายไปสี่คนมันมาักกว่าเราแล้วไอ้คนที่รถเสียคันหนึ่งได้เบาขึ้นได้หัวเรา ะ, น, ะนี่นี่แหละคือความคิดมันเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ก็คิดว่าแอลรถเราเสียไปของเราไม่ตายมันก็ยังดีพะนั่นชีวิตเขสี่ ค, คนตายไปเอาคืนมาไม่ได้มันหนักกว่าเราด้ืยเกินเราจะเป็นของเบาขึ้นมาเนี่ เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรรถคืนมานะมันหมดทุกข์พอจะเห็นสิ่งอื่นมันมากกว่าเราแล้วเลยสบายแล้วเท่านี้นะเข้าใจว่ารถมันหายไปตัวเรายังอยู่หาอีกได้ไอคนที่ตายไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันยิ่งนากกว่าเราคิดเท่านี้เองแหละคิดถูกทางมันคือคิดเปรียบเทียบเมื่อถูกต้องมันเลยสบายเลยอาณาโยมนะ อิตามาก็แก้ไขว่าคนที่ตายไปสี่คนนี่นายโยมนะเพราะเขาเกิดมาสี่คนเขาก็ตายไปสี่คนนะอีกใครๆยังเกิดมาอีเขาก็จะตายอย่างนั้นนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจเขาเปลี่ยนเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าตั้งแต่สี่คนเลยเกิดมาทุกทุกคนจะต้องตายทุกคนเท่านั้น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 ลูกที่มันตายนั่นก่อนเไดายกับจินจัมสมสรดสังเวชมันจะทันไงได้ละ่ะเราทุกๆคนไม่ว่าไม่ว่าเมียเราลูกเรามันตายตัวเราก็สมัดตายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ถึงววละเราเท่านั้นเองอันนั้นเขาลัดคิวเราไปก่อนเนี่ยเขาเร็ว น, นี่เรายังอยู่เนี่ยก็มีราคาเสมอกันทั้งนั้นมันเป็นสนนังนี้อันนี้พูดถึงความทุกข์ของเราเกิดขึ้นมา เขาบอกไปทุกตับสโนวนสิ่งนี้ทุกวันนี้กว่ามันตันการตีทุกเพราะลูกโดยมากเพราะลูกหลานอันนี้เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนอนไม่ได้กินไม่หลับเพราะลูกมันสอนไม่ได้ลูกมันดื้อครูก็ไม่สบายใจเพราะว่าเด็กนักเรียนมันดื้อ เออไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่ว่าจะเด็ดนั่งเรียนหรืครูเจ้ครูก็ยังวู่นวายกันอีกมันก็ยังลือ้อมันมีแต่เรื่องทุกข์กันไปหมดทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นสุขเลยถ้าเราคิดอย่างนี้แหละมันก็ทุกข์ม า, ากเรื่องไปจะให้พวกเราทังไงเอาสิ่งที่มันควรจะได้นะสิ่งที่มันควรได้แก่เราเราก็เอาสิ่งนั้นอย่างเรามีเรือลำเล็กเล่ากับบรรทุกไปไดหลายเที่ยว จะไปบรรทุกเหมือนเดือดรำใหญ่ๆเขามันก็ไม่ได้ทุกคนเราทุกเพราะรูกที่มันเกิดมามันสอนไม่ได้เราได้ดูตัวเราหรือเปล่าตัวเราเป็นยังไงเป็นหนุ่มมันคิดอย่างไรเป็นสาวแล้วมันคิดอย่างไรนะดูเราเสียก่อนเราก็เป็นคนขนองอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีธรรมชาติ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 นะแต่ ม, มันทำมันเปรมันสีนนนอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกวันนี้รู้มันเฉยๆทุกวันนี้ด้วยว่างไงก็เป็นยังไงลูกเราก็เป็นเข้าลูกเขาก็เป็นเข้าเมียเราก็เป็นเข้าเมียเขาก็เป็นเข่าเลยแล้วนี่คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราอย่าไปวุ่นวายกับมันมากมายเลยลูกของเราให้มันเรียนเถอะสอนมันไป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 ให้สันโหลดอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่นามเกิดขึ้นในตัวเองอย่าไปทำอะไรที่ให้มันเป็นโทษแก่เจ้าของให้โทษแก่ผู้อื่นท่นสอนท่านนั่นเรียกว่าพระพุทธเจ้าสัญรัตรูกของท่านสอนคิดไม่ได้สอนจนลูกของท่านผู้ฟังธรรมท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน เป็นพระอริยะบุคคลทั้งนั้นนี่เพราะท่านรักลูกของท่านโดยธรรมะเรารักลูกของท่านโดยหลักธรรมะเช่นนั้นแล้วท่านจะปล่อยไปที่ไหนก็ได้จะปล่อยอไปในป่าก็ได้ไปในกรุงก็ได้ไปที่ไหนก็ตามดีที่สุดเมื่อเยื่อใยในสมบัตเิเจ้าของแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติคนอื่นแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติของเทวดาแล้ว จะไปทิศไหนก็สบายใจไม่เป็นทิศไม่เป็นไัยอันนี้อลวงพ่อพระรเจ้าสอนท่านรักลูกของท่านท่านต้องสอนท่านต้องเชี่ยนท่านต้องว่าท่านต้องกล่าวมันแก่บวชมาไม่ใหม่ซเนะให้เจสารโอรมานะขาทันตาต า, ตาจอขี้ไปเถอะขี้ไปในตรงที่มันเห็นเห็นอยู่นั่นแหละโผมไม่งามโขนไม่งามเ็สไม่งามฟันไม่งามหนังไม่งามเห็นไหมแล้ว เห็นไหมเห็นตามเป็นจริงไหมเราเห็นว่ามันสวยมันงามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สวยไม่งามตรงกันข้ามเลยให้ภาวนาพิจารณาอยู่สารพัดอย่างอันนั้นท่านรุกเงท่านสอนลูกของท่านโดยธรรมะของท่านตัวเป็นลูกของท่านทุกคนแล้วเป็นต้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายต้องเป็นผู้สอนตนเองเนยเจ็บไปในตัวเลยเมื่อตกกระแสพระสดาบันแล้ว ถ้พุทธเจ้าสันปล่อยแลไม่หนักแล้วจะมีพันหนึ่งก็ช่างแสนหนึ่งก็ตามเนี่ท่านเท่านั้นเนี่ยอันนี้พวกเราทาั้งหลายนั้นอาจจะมาก็ยังเคยไปเทศให้เขาฟังอยู่ทางยุโรปว่าไอ้พวกศาสตร์ทั้งหลายนี่โดยมากมันจเจริญมาทางยุโรปก่อนมันจะแพร่ไปถึงเมืองไทยทุกทุกศาส์นั่นเองนะถ้าการเรียนไปเถอะอ รู้สึกว่ามันจเจริญ ม, มาทางชาวตะวันตกนี่มากแล้วก็แพร่ออกไปทั้งหลายๆของชาวเอเชีย อ, อทุกศาสตร์ทุกวันมันยิ่งลหลายศาสตร์ทุกศาตรแต่ว่าศาสตร์ท้งหลายเรานี่ดีอยู่เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยสมาสามธาตุาศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่มัยิ่งศาตร์ของท่านทําไมถึงว่ามันไม่ยิ่งแต่ว่ามันดีอยู่ มีแต่พร่องในดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเอามาแบกไว้แต่ว่าไม่รู้จักทิ้งสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้จักแก้ไขให้คนจากความทุกข์สร้างสมาธายิ่งทุกข์เรียนสมาธายิ่งทุกข์ พ, พ, กพูดเก่งพูดผูกเส่วันพูดเก่งเส่วันพูดดีเสดวันแต่ทําไม่ดีทะเาะการเสียงกันแย่งกัน ฉะนั้นาศาสตร์นี้ดีอยู่แต่ว่ามันน่ะยิ่งข้าพวกคุณทั้งหลายนั่นนะ่ะจะไปสรบฟังเอ า, าศาสตร์พระพุทธเจ้ า, ากข้มาฝากพลเข้าสักห้าสิบเปอร์เซ็นี้าศาสตร์ของพวกท่านทั้งหลายนี่จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้จะไม่เดือดร้อนจะทําทประชาชนเราทั้งหลายมีศีลมีธรรมให้อยู่เย็นเป็นสูขใหมเดียรเดีย น, ยนซึ่งกันและกันได้มีข้อศาสตร์ทั้ทงหลายเหล่านั้นาศาสตร์ที่เกียกว่าพุทธศาสตร์นั้น เป็นที่รวมแผนยศาสตร์ทั้งหลายความรู้ทั้งหลายไปรวมอยู่ที่นั่นถ้าไม่รวมอยู่ที่นั่นความรู้นั้นใช่ไม่ได้ความรู้นั้ น, น, นยุ่งอเป็นต้นดีอยู่แต่ว่ามันนัยยิ่งศาสตร์พวกเธอทั้งหลายนั้นแต่ท้ายก็ว่าคนมีรู้จักเอาส่วนผสมกันขึ้นมาทำพิญญาพิษ มันก็เกิดเมาเกิดเบือ่อเกิดเป็นพิษดีที่สุดแต่ว่ามันดีในทางเทมีดีอย่างนั้นจะโฆษณาขายก็ได้ายาพิษฟองข่าพรเจ้านี่ดีมากเอาให้มนุษย์กินก็ตายให้สัตว์กินก็ตายให้อะไรกินมันก็ตายทั้งนั้นแหละเชิญพวกคุณทั้งหลายมาซื้อเถอะยาของฉันนี่มันดีมากจะต้องโฆษณาอย่างนี้อัตมาเลยบอกว่าถ้าหากว่ามีอีกคนคนหนึ่ง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 นั้นนี่ว่าท่านรับรองในศาสตร์ของท่านโดยจะไม่มีโทษศาสตร์นั้นแหละทําให้มนุษย์พุทธวิสัทธ์ทุกชนชนาติพากันอยู่เย็นเย็นจิตมันเป็นเช่นนั้นอันนี้แหละการเกี่ยวแก่การทุกข์ไอ้ความทุกข์ของพวกเราสังหลายนั่นแหละมันเป็นเหตุทุกวันนี้อืมเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมว่าเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมานั้น ว่าลูกเราเนี่ยมันไม่ดีน่ะตัวเป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันจะเป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันทึกอย่างมันไม่ดีมันทำไมถึงมันไม่ดีอืมจะทำยังไงหลานอาตมาคนหนึ่งมันเป็นลักเลงลูกอาอยู่ที่บ้านนี่ไม่ให้มาหาเนี่ยจะหาท่านอาจารย์ม่ไฟแล้วมเลือดปอนเดียวกันแต่เราทำไม่ได้ มันก็าหาเป็นขโมยลัโทรลักตะบืออยู่ด้วยยวันั้นไปเข้าบ้านไหนมาเ อ, อ๊ะใครจะข่ากูมาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะเขาข่าเอาไอ้เชือกไนลอนมัดติดกันเลยแค่น้ำมูลไหลมาแม่ไปดูเนี่ยโยมมาไปเห็นก็ร้องไห้เลจะร้องมันทำไมมันหาอย่างนี้นานแล้ว เออมันหาอย่างนี้นานแล้วยอมมือเซะยกมือใส่หัวซะดีแล้วลูกเอ้ยได้ตามปรารถนาเจ้าแล้วดีกว่าก็ไปที่ไหนใครจะฆ่าตูมอ็ฆ่าเถอะนะมันไม่กลัวใครมันไปนล่องเลี่ยงเ้าฆ่ามอยู่ทุกวันทุกวันมันหายมาหลายปีแล้วมันในสมปรารถนามันวันนั้นเขาฆ่ามันในตามปรารถนามันแล้วแม่ไปเห็นยังจะไปร่องให้ก็มันยังไปโง่กว่าลูกอีกเมืน ยกมือหัวดีแล้วลูกลูกปรารถนามาหลายปีแล้วบัดนี้ลูกเลยสมดังปรารถนาแล้วสาธุมันก็เท่านั้นมันก็พอแล้วเราก็อยู่ที่นี่เขาก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าท่านก็พาทิ้งเหมือนกันมีนายาสัจฉิฝึกมามันฝึกยากเหลือเกินก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระองค์เจ้าสือทุกข์กี่ท่านฝึกอย่างไรท่านก็เลยถามสัจฉิว่า เธอฝึกมาเธอฝึกอย่างไรเนี่ยถามผูอื่นนะพระสงฝึกมาหากว่าตัวใดมันสอนง่ายกว่าให้มันกินยากมากออืถ้ามันสอนง่ายเนี่ยทั้นี้ถึงมันยากกว่าให้มันกินยากทั้นิดหนึ่งถ้ามันสอนยากเก็มทีให้มันกินแค่น้น้อยถ้ามันสอนไม่ฟังไม่ได้เลยฆ่าทิ้งเลยนะจะท้าโทสอนหลักสูตรตุวัญทานการนั้นคนนี้สอน มันง่ายมันก็อุปฏิตันอยู่วิปฏิตันอยู่ก็อธิบายมันฟังพอสมควรมันก็เข้าใจมันก็สอนได้คนที่สามนี่สอนไปถูไป ถ, ไปถูมาก็ เ, าเรียกว่าภาษาเรียกระบาสอนได้แต่ว่าถูไถถูไถพอถูไถไปถึงในการสอบโรงเรียนก็ได้ได้แบบถูไถนะคำ ท, ที่ว่าถูไถเราฟังดูแล้วก็ นึกออกแล้วว่ายังน้อยกว่า น, นังหุนมันเลิกออกแหละลำบากลเลยเรียก ว, ว่าถูถไายมีแช่บ่ได้แต่ว่ถูถ่ายไอโฟนที่ส่ ย, ยังไงอ่ะไม่ว่าแต่เราจะสอนเลยะจะเอาไออะไรไปให้มันฟังมันก็ไม่ฟังนะมันก็เฉย อ, อยู่อย่างนั้นมันไม่ไู้เรื่องเหมือนกับเราพูดการิมไปพูดธรรมะให้เรียงฟังเถอะ นะมันก um, uh, mm. uh, uh, like ็เกาคนมันเฮ้ยอมันไม่รู้เรื่องแล้วเจเพียจะังไม่รู้มันเรื่องของดีนอ่าจะทำนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะท่านก็เออให้มันเป็นดีนซะมันเป็นดีนไปนี่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เป็นดีบาสมันก็ทอดไปถึงอีบาสเก่าเขาในดีบาสกาเป็นอย่างนั้นเรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นดีบาตของเขามันเป็นอย่างนั้นอมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ไปที่ไหนแล้วมันอยู่แล้วน่ะมันเอาใช้กรรมของมันแล้วมันไม่ไปแล้ว มันก็อยู่อัอนนั้นพระพุทธเจ้าชี้เนี่ยว่าทั้งฆ่าทิ้งท่านไม่เอาแล้วทั้งฆ่าทิ้งเสียแล้วไม่รับล่อยไว้ต่อยเนี่ยก็ไม่โกรธ ด, ด้วยไม่เกลียดด้วยปล่อยให้สบายแล้วเจจะทําจะเป็นไปลปล่อยแล้วนี่ยทำไมถึงปล่อยเพราะมันมีคนเลี้ยงเขาแล้วอะไรเป็นคนเลี้ยงเขาตามตามของเขานั้น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 ถ้ามีสองขาเหมือนเราแล้วมันก็สบายนี่ความคิดเราคิดอย่างนี้ตรงขังการแตนั้นเห็นปูนาไปปูนามันตกใจคนเดินสองขาโยกโยกโยกโยกโยกมันโยกขันแคนาอยกวัรนาขนาดมันกลัวจะโล่งแต่มันมันยกไม่มันคับหมดทั้งสองสองขามันทับไว้มันกลัวเราจะโล่ครับมันตา มันมีสองขาเดินไปยกยกยกยกเพราะจะมีจะห้าขาหกขามัน ก, ก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอออันนี้นี่สองขาเห็นกะปูไหมมันยกไม่มันค้ำตรงนั้นอนะมันกลัวมันตกใจมันไล่าวอันนั้นเป็นความโง่ของกระปูแต่นั่นแะแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่เป็นลานะพอเรามีสองขาเกิดมาเราก็เดินเพราะมันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องของมันอย่างนี้อันนี้เหมือนกันเราให้รู้จักตัวของเราอย่าไปทิ้งตัวของเรา ย่าไปคิดในแง่ที่มันจะเป็นทุกข์แหมลูกกูเนี่ยถ้ามันไม่หยุดถ้ามันไม่ฟังแล้วเนี่ยกูตายไปมันก็บทุกข์มันจะยากมันจะํลำบากมันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายแหมลูกสอนไม่ฟังความนั่งท้ายหน้าถ้ายตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายคิดใแง่มันทุกข์มันก็ทุกข์อีกจะไปคิดอะไรแต่งนั้นก็สอนความดีให้มันแล้วมันก็หมดแค่นั้นเนี่ยสอนที่คนไม่รู้จักมันไม่ยากมันก็เอากับเรา สอนที่คนรู้แหละมันคนรู้ไม่ทํำเราจะทํายังไงมันเราจะมาร้องไห้มันทำไมอืยกมือใส่หัวแล้วก็นั่งภาวนาครูโตครูโตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพาะอันนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ตามท้องตลาดมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ปุริมการอาตมาเห็นว่าลูกลูกหลานหานนี่สอนมันพอสมควรแล้วนะแล้วสอนสุกวันณุกวันสอนลูกสอนหลานกัวจะลูกเราจะไม่ดี ตอนเย็นสอนตอนเช้าก็ตอนเรื่อยๆฝ่ายตัวลูกจะไม่ดีไอความเป็นจริงลูก ม, มันแหมไอแม่ไอชู้ชี้ทุกวันทุกวันนะเออตายในสมองผมในหัวผมขี้ขากผมจะแตกแล้วมันไปโรงเรียนกันหนีไปเลยมันมาว่าไอนะตัวแม่จะบ่นในมันชู้ชีช้มันแต่แม่ก็ยิ่งยิ่งบอกเรื่อยยิ่งว่าเราสอนลูกลูกมันยิ่งขี้เสียดลังเกียจห น, น, นีไปสอนมันจนเกินไปในมันเหน่อ เอน้ําเทแต่ฝันโดยสิทธิ์เทมากๆมันจะได้รับอยู่มากๆมันก็ล้นออกทณะนั้นมันก็รับแต่สิ่งที่มันมีในเนี่ยเมื่อมันเดือดร้อนมันก็ร่นทิ้งไปเปล่าเท่านั้นแหละอันนี้เราต้องดูจัดจังหวะชาทีิของมันที่จะสอนลูกสอนหลานก็ดีมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาพ่อแม่ก็ทุกข์กับรูกอย่างเดียวทุกข์เพราะแต่คนโง่คนไม่มีปัญญา เท่านั้นแหละมันโง่มันก็ทุกข์รัวหลายมันเป็นใจ อ, อย่างนั้นตัวเรานี่นทุกทุกคนนี่สมันตันเรามีพ่อแม่ทุกทุกคนมีพอ่อมีแม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อพ่อแม่เราจะตายนี่อยางเราก็เป็นทุกข์แหม่มันจะไม่ชวนไหมเนอมันจะไหน่อยลาบากไหมเนอมันจะได้กินไหมเนอมันจะมีอะไรอะไรไหมเนาะแหม ตัวจะตายไปแล้วก็ยังคิดกับเขาอยู่นะแต่พวกเราก็ะโโไถ่ถไปหาอยู่หากินไม่ได้เท่านั้นแหละมีกินหลักสําคัญมันอาตมาบอกว่าหนึ่งมันมีปากต้องหากินจนได้แต่กระทองมันมีใส่อย่าไปจัวมันเลยมันมีปากมันมีท้องนั่นหากินได้ แต่มันมีหูแล้วก็มันมีตามันฟังของมันได้มีตามีแสงะว่างได้อย่าไปกลัวมันเลยอย่าไปกลัวมันให้มากคิดจนเป็ทุกข์จนเกิดมาเป็นบาปกับลูกกับหลานกับพ่อกับพัวกะพวัสดุสิ่งสารพัดไอ้ความเป็นจิงนั้นสิ่งทั้งหลายที่ต้องหาไว้บ้านนั่นนหะนะเราจะมีอำนาจแต่จะพาะหารักษามันไว้เพื่อใช้สอนให้สะดวกเท่านั้นแหละเราไม่มีหน้าที่มีอำนาจที่จะไปยึดมัน เอาดีมันมีหน้าที่จะทํามันรักษามันสะอาดมันเอาไปใช้เท่านั้นไะไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปยึดมันไว้มาเป็นเรามันเป็นของเราแน่นอนอันนั้นในใจเรื่องของเราแต่รักษาไว้เพื่อดะใช้ให้สะดวกสะดวกว่าเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นนะ่ะแต่จะมีหน้าที่พอไปยึดแต่หมดหน้าที่ยึดไม่ได้อย่าไปยึดมันแค่นั้นพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จัก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 นี่ท่ารวยแต่มันเป็นทุกข์ทุกข์ทไมหามาแล้วเป็นทุกข์ทำไมจึไปนั่งให้อยู่อย่างนั้นทําไมถึงมันเป็นทุกข์มันเป็นเพราะอะไรนี่มันน่าคิดจะเดตือนนะไอ้พวกเราทั้งหลายนี่บางคนก็ได้ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อยู่น้ำลูกน้หลานกระปิ่นกระของอยู่นั่นแหละให้เข้าใจว่าโยมนั่นแ่ะทุกข์เมื่อไรนั่นแหละตกนรกแล้วเข้าใจไหมอย่าให้มันตกนรกธรรมะทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรตกนรกแล้ว ยากมากหิวจะหายเมื่อไรนั่นมันเป็นเปรตแล้วมันเป็นผีแล้วเมื่อมันคิดลักษณะอาการของผีสองคนแล้วเมื่อมี โ, โรคปวดล้มเปนมาแล้วเราไม่เป็นสุกนาไม่มีความสุกนาไม่มีความสุ ข, นะ ม, ม, ม, สขมนุษย์ท้อคนเรานี่มันก็แปลอัตมา ก, ก็เคยมีดุจจิตหลายคนเมื่อแรกแรกมันจนๆอยู่เออคอยๆหากินไปเถอะ อย่าไปเด่นไถ่อย่าไปเดินเบอร์อย่าไปกินเหล้าเมายาขยาห์หากินกินเฉพาะข้าวทำอาหารต่างนั้นอย่าไปเที่ยวมันจะรักษามานานมาก็มันทําตามมันไม่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเลยมีขึ้นไหนลืมตัวนะกินข้าวก็แม่บ้านทําอาหารนั้นไม่อร่อยกันแล้วต้องไปกินนอกบ้านนู้นกินเบียร์บังกินเหล้าบ่ะกินอะไรต อ, อะไรบังบุบวายเขาเอาแหละ นานๆานมาแต่สามทุ่มสี่ทุ่มมานานๆไปหกทุ่มมานานๆานไปตลอดคืนไม่มานานๆานไปมีเมียใหม่จะแล้วเอาเนี่ยมันหาทุกข์มาเต่ตัวมันเองแต่มันโง่เกินไปนี่เนี่ยไอพ่อมีพ่อกินพ่ออยู่แล้วมันมาอยู่ไอความไม่กิงก็เมียคนเดียวก็พอแล้วด้วยไงโยมหรือไม่พ่อเนาะหัวคนเดียวก็พอแล้วอจะมาว่ามัน อย่างนั้นมันก็พอแล้วอาตมาไม่เคยมีหรือจะว่าพอคิดเที่ยวกันนึกว่ามันจะพออยู่นะไอ้ทาไมถึงทํากันเป็นอย่างนั้นอยากดีหรืออยากชั่วกันหอะอกคิดจะมันดีด้ดีเจออันนี้เพราะอะไรคงขาดตานภาว น, นาจะแล้วกินข้าวแลวต่ก็กินอาหารแันก็พอแล้วเอออย่างน้อยกสตู ป, ปูดีเซตู ป, ปูดีเซ อย่าไปกินเล้ามั่นมีอะไรเล้ามากินซะแล้วกินเล่ามากินเหล่าก็กินโน่นเลยก็กินนี่เลยกินโน่นกินนี่ไงทีหนึ่งทีสองทีสามเอไอมาแล้วมาทุกประตูเขาตั้งตั้งแม่ว่านก็ตั้งข่าวไว้ใคได้สนิทโกเป็นทีซะแล้วทำให้เขาทำไงซะแล้วเลื้อกทะเทาะกันเท่านั้นแหละมันมาไม่มีเวลาเนี่ย อ๋อล้วนีพูดกันสามวันสีวันไปเถอะอยู่ไปฮะมันตกนรกทั้งนั้นน่ะไม่ใช่มันทํำมาความถูกหรอกมันตกนรกกันทั้งนั้นเนี่ยนะเราจะทิ้งทางหนึ่งสักทีไม่ได้เด็กกระนี้ลูกทั้งนู้นเด็ก็ระงทั้งนั้นว่างก็ะทรงทั้งนี้ว่างเงินมันก็น้อยนะไปทั้งน้นก็เอาหอกแทงมาทั้งนี้ก็หอกแทงไปทั้งนั้นก็หอกแทงก็คิดว่าไงเรานี่ตายดีกว่านะไม่ควรจะอยู่ไปแล้วนี่น่ะ นี่มันใครทําให้เรานะอมันใครทําให้เราคนไม่รู้จะทุกข์มันผลทุกข์เลยจะฟ้องเทิงนั้นแหละอันนี้ด่าสาดทางนอกมันสตร์ประปาอืมมันไศาสร์ขึ้นมันพระศุกต้ามั่นพระหวานจ้าสาดในมันทุ่มมันศาสตร์ที่งเขาในป่าเนี่ยมั่นในศาสตร์ีศาสตร์มันต่อมันจะศาสตร์ัดอันนี้น่าควรพิจารณาเรามันเป็นยังไงก็เพราะการฟังคำไม่รู้เรื่องไม่พิจารณา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 ถ้าสอนมันมันก็ไม่สอนมันก็ยา ก, ยากอยู่อย่างได้จะสอนยังไงเร้จะตายอย่างนี้หรือเราจะทุกข์อยู่อย่างนี้หรื อ, ร ก, อ, อ, รอก็กค่คายกันสะท้ น, นเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วนั่นะคิดแล้วมันก็ตายไปแล้วจะคิดยังไงอีกจะให้คนนั้นเกิดมาอีกให้มันคืนมาอีกอย่างนั้นหรือท่งจิใจสบายคิดไปมันเป็นไปไม่ได้เออคนที่ตายก็ตายไปแล้วนะ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 ให้มันรักอยู Nad, comic, ibles, ่นานๆเท่าน <h> ั้นเองมันก็เสียดอีกแล้วแน่มันเกิดยังไงทุกเกิดขึ้นมาเราชอบมันทุกให้มันตั้งอยู่ที่ไม่จะตั้งอยู่นานทลายเรียสุกมันก็หายไปอีกแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นมาอีกแต่ก็ทุกมันก็ตั้งอยู่ให้มันตั้งอยู่นานๆที่ทุกข์มันก็ไม่ตั้งน่ะมันก็หายทุกข์ไปอีกมันก็สุกแล้วมันก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุกหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แตวก็ดับไปมมันนนเเป็พรออยยยู่่างี้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 หัเป็นอะไรลูกเป็นอะไรสิ่งของเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่มันมีอะไรไหมไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นนี่จะสิ่งโกหกหลอกลวงเท่านั้นหลยเท่านั้ญญนอันนี้ของเรานะเท่านั้นแหละท่านให้ว่าของเราอนยะู่พระพุยายไปยึดมันมันหายได้เพราะมันเป็นอย่างเนี้ยไอ้ตัวเราเนี่ยถ้ามีความสุขแล้วให้มีสุขเรื่อยๆถ้ามีมาแล้วไปจนไม่อยากให้มันหายไปนะ ถ้าได้ความชอบใจมาได้ให้มันอยู่อย่างนั้นรูกเกิดมาถ้ามันมีความถูกแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นอยนใหญ่จะเปลี่ยนเลยเกิดมาเลย่าตายเลยนะใอญ่ใหญ่ให้ตายในการไว้ลองลองคิดดูว่าธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันตั้งแต่สร้างโลกนี้มาแล้วยอยมลองลองจะหายหันใจขับไปยาวออกเจิตอยู่ได้ไหมหันสายใจออกไปยาวมาเข้านอยู่ได้ไหมนานไหม มันก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ไปได้เพราะอันนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้โลกนี้นี่เกิดดึงตั้งอยู่โดยราบไปเกิดแล้วกิดตั้งอยู่ดับไปเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอยู่ของมันอย่างนี้เราทุกคนนี้เหมือนกันเมื่ออยู่รวมกันอย่งนี้อีกวันหนึ่งเมื่อต้องแยกกันไปอยู่ได้เราจะไปร้องไห้จะไปเป็นทุกข์อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราสนใจในธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจเท่านั้นแหละ อย่างนั้นก็ตกนรกอยู่กับทางวันเนี่ยเอาลองๆองอูก็ได้แต่ไม่รู้จันกนรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มันยุ่งถ้ามันคิดมาทามันเป็นทุกมาเออไม่ควรทําให้เราอย่างนั้นไม่ควรทาให้เราอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอะไรไปไปพูดเป็นเรื่องกระจายโดยจะเป็นทุกข์่ะละเรื่องอะไรเป็นทุกข์ก็นั่งคิดผลมาใจ่ใจ ม, มันเป็นทุกข์เ น, นื้อักตาก็ไหลแล้วก็นอนไม่หลับกเ็เกียบโรคประสาทแค่ น, นั้นเองแหละ มันจะยากอะไรแล้วปฏิบัติธรรมมันจะเป็นโรคประสาทอะไรมาพูดกันพอสมควรแล้วนะอย่างสามีจะไปมีเมียใหม่บอกแล้วก็เลิกแล้วเอาไปเถอะไปนีเจ้าเมียสิเมียกันไปเถอะเรานอนในมุ้งเราสบายเท่านั้นะไปเถอะอืมก็ปล่อยให้มันเสียมันไม่หายไปที่ไหนดอกเบี้ยคนนี้จากกันไปเท่านั้นแหละถ้าไม่เอาไปต้มไปแกงเรายังเดืออยู่ซึ้เก่ามันนั่นแหละอืมยึดจิตเป็นตัวมันหาย ใหญ่ๆมันหมดได้แต่คิดทุกข์คิดยากคิดลำบากมันทําไมไม่รู้ธรรมะเนี่ยมันจะหมดหรือมันไม่หมดล่ะมไม่ตายน่ยตายแล้วมันหมดล่ะอืมไ่คิดทำไมคิดให้มันเป็นทุกข์ก็ต้องฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไปมันก็ะพุนทุกข์นี่เรื่องก็งมัคิดว่าเออไอ้คนบ่ายเราอย่างนั้นไอ้คนคิดอย่างนั้นแต่เราไม่เหมือนธรรมะนี่มีแต่รู้นอนคิดเป็นทุกข์เดินหมคิดให้มันทุกข์คิดต้องคิดให้มันหายทุกข์ ทิพย์ให้มันหายทุกทิพย์ใหมันแก้ทุกให้มันได้มันหายทุกเน่ยอย่างนี้เดี๋ยวว่าเราภาวนามันก็หายทุกอ้การที่ไม่มีทุกนี่แหละเป็นราภอันประเปิดแล้วโลกอันนี้ถึงแม้ไปมีอะไรมากก็าตามมันเถอะไม่ให้ใจเราเป็นทุกนี่พระพุทธเจ้าเราต้องการนี่นี่ปฏิบัติบูชาี่ในพรรษานี้ผมมันการให้ญาติโยมทั้งหลายพากันคิดอย่างนี้พากันภาวนาอย่างนี้ จะพากันภาวนาให้เอาทุกข์มาใจใจของเราให้มันหายจากทุกข์เมื่อทำได้เดียวนี้ก็ไปสวรรค์เดียวนี้แหละนิพพานก็สร้างเอาเดียวนี้แหละก็เราบอกกันแล้วพูดกันแล้วเอโนอกันแล้วอย่างนีแล้วก็ไม่หยุดเราก็จะทำในต่อไปอาตมาเห็น ม, มันง่ายที่สุดผู้ผิดอาตมาเหมือนกัน ส, สอนอย่างนี้สอนอ่งง่ายเอาอาตมาก็ยิ่งสบายใหญ่้วย เปรียวไปต่างนอกไ ป, ไปแล้วจะไปยังไงก็ไปก็เขาไม่เอาเราแล้วเราก็เลิกเล้วนั้นแหละมันก็สมายกันใครจะไปทางไหนช่างไก่เถอะบอกแล้วนี่พระพุทธเจ้าตก็เฉดอย่างนั้นเรานี่จะต้องเอาไปเหยนะีมดนะเอาทั้งรากมันเอาทั้งเถิดมันเอาทั้งแก่มันเอาทั้งใบมันเอ า, ม, เอามดทุกอย่างไนมะ่ต้องทิ้งสักอย่างเอาเหยีหมดทุกอย่างเนี่ย อย่างนั้นแล้วก็ดูเนี่ยมือเราสิมันเสมือกันไหมอันที่ええ <ielle> มันเนี้วมันสั้นนี้ไหมเนี่ยมันยาวมีไหมตัดซะที่ตัดให้มันเสมือกันอย่างตัดเนี่ยนี่เราจะไปดึงนี่มือมันให้มันมาค้าแฉกันเนี่ยมันก็เป็นเศษดื้อมือเลยกายเป็นเศษใหญ่มันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยมากก็ไปมองแใจคนอื่นัขาอยากให้เ้าเป็นอย่างนี้เขาเป็น ไอตัวเราไม่มองตัวเราเป็นยังไงบ้างบางทีไม่มีใครมาควรเราแล้วก็คิดควรเราเองเข้าแล้วก็เป็นบ้าเพราะเราอไม่มีใครโกหกแล้วก็โกหกใจเราเองอีกก็มีเยอะแยะไปแต่ในรู้เรื่องทั้งนั้นให้รู้โลกการฟังธรรมให้รู้จักโลกเราอยู่กับโลกโลกที่ไหนไม่ใช่โลกคือแผ่นดินโลกคือมูชัตินี่โลกคืออารมณ์นี้ที่มันย่โยนอยู่นี่ มันเป็นทุกข์ีเดียนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดของเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์คิดถูกมันก็หายทุกข์นี่เรียกวาปวนาดังนั้นแหละไอ้จริงที่มันเสียไปหายไปไล่ตืนมาเด็กก็เอามันจะอาจถึงที่มันหายไปแบบมันไปซะแค่นี้มันก็แล้วกันไปอดีตที่มันร่วงไปแล้วแบบมันไปอนาคตแข่มันยังไม่ว่าถึงแ่ามันไลยนั้นแหละแล้วก็ทํามันไปอย่างนี้แก้ปัญหาในปัจจุบันนี้เรื่อยๆไปอย่างนั้น มันก็เป็นพระแต่มันสบายกันตนะ่เนี่ยเดียกจะเอาสินทั้งหลายมาเนี่ยเขาเป็นในหลงอยู่อะอ่าเงี้ยจกให้ต้นไม้ในป่าดิให้มันใหญ่เท่าๆกันเสมอทุกต้นยังไงเยอะอืมให้มันยาวๆทุกต้นเสมอการยังนัไงให้มันตรงทุกต้นอย่างเงี้เราจึงจะสบายใจหรือจะทํำยังไงก็ต้นไม้มันจะเป็นยังไงเนี่ย ถ้าเราฉลาดเนี่ยเป็นต้นต้นเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาแล้วก็ตัดเอาต้นมันตรงอมันยาวพอต้นพน พ, พด ม, มอได้จะไปโทษมันถ้ามันเป็นอย่างไงหนึ่นงป่าอันนี้ก็เมือนกันมาภาวนานในโลกนี่ให้รู้จากโลกโลกกวิตรู้แจ้งโลกโลกก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะอย่างอื่นเลยคิดไปมองคนอื่นจะให้โทษคนอื่นจะให้โทษคนอื่นซะเมื่อมาถึงเราแล้วน่ะ เมื่อมันเกิดโลกขึ้นมาในร่างกายเราส่วนหนึ่งเนี่ยเอาเลี้ยสินเนี่ยยังไม่มองเห็นเลยว่ามันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นไข้เห็นไหมล้วมันจะตายซะอย่างนี้ไม่ได้มองเห็ น, นจะมองคิดมันก็ไปงงทางนอกเหยื่อมันไปทุกกลับมาบ้านแล้วก็เป็นทุกข์ออกไปทางนอกก็เป็นทุกข์ไม่มีที่อยู่เราเกิดมาแบกเอาทุกข์เกิดมาตกนรกบ้า น, น, นหลังใหญ่เราสร้างขึ้นมา น, น, น่าจะนอนในมันสบาย ของเกี่ยวหามานั่นมันจะอยู่เลยกินน่าจะกินให้มันอร่อยอันนี้กินทั้งน้ำหูน้ำตาเนี่อเปรตทั้งนั้นลยอม่ามันริอย่างนั้นจิตขงเรามันเป็นเปรตนั้นน่าจะกินในีมันสบายสบายอืมอันนี้อันนี้หาหามื่พอะอยู่จกินชาวบ้านสร้างอยู่เอาอยู่เอาทีนียสมุยังอยากเจะาอะไรยึดไม่ล ยิ่งควนกันยิ่งอะไรต่ออะไรกันหุ่นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเด็กน้อยมันไม่รู้จักภาษาถ้ามาเด็กน้อยน่ะก็เรียกว่าจิตมันไม่เห็นธรรมะจิตมันไม่รู้ธรรมะมทุกคนอายุหกปีเจ็ดปีแปดปีนี่สมัคนกันนะ่ะนี้อย่าพึ่งใจว่าเราโตนะเป็นเด็กตัวมีนะ ยังไม่โตเนี่ยก็เป็นเด็กคือไม่รู้จักธรรมะใจไม่สูงใจไม่เห็นกใในลียดใจไม่พ้นความโรคความปวดความหลงมันเป็นเด็กทั้งนั้นแหละเพราะว่านิดหน่อยก็งอไปเสียไม่พอใจขอนตะก็งอเปรโกหรือกานทะเลาะกันวุ่นวายกันนี่เป็เด็กทั้งนั้นแหละนั่นท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าเด็กหรือว่าเยาวชน ไม่ใช่คนแก่แก่พูดเรืาองสบายใจของเป็นคนแก่ น, นะพ่อมันเกิดมาเก็บทีตีแปรทีตี้ไเองนี่มันเกิดที่หลังข้าข้าเห็นฟ้าแกพวกเธอทั้งหลายเห็นก่อนแล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกคนเห็นฟ้าก่อนเพื่อนน่นนี่มันดีคนเห็นฟ้าก่อนเขาหนนีน้มันดีนไอสุนัต ไอเดือนข้ามันแงหน้าเกินหนอนโอ้อยังมีมันก็เห็นฟ้าหรอกเชครับ ม, มันจะดีแบบไหนที่จะไปเห็นฟ้าเห็นดินไอ้ที่มันเห็นตัวของเรานี่น่ะพระพุทธเจ้าสัา่งสอนเราเถิดนะคนที่เห็นตัวของเรานี้นี่แต่เด็กคนโตคนใหญ่อืคนมีราคานคนรู้จักจะเกิดมา20ปี30ปี20ปีก็เด็โตแล้วโ ต, วโตทางธรรมะ รู้จักทางหน้าทางหลังรู้จักโลกนี้โลกนั้นรู้จักอนิจจังทุกตังอนัตตารู้จักความเป็นไปของมันอย่างนี้มันจะพอเป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์พอไม่อาทุกข์มื่อใจใจของเราพ่อเห็นว่าทุกข์มันก็แค่นั้นแหละมันไม่ติดต่อกันทุกข์เมื่อนี่หลายปีหลายเดือนเน้่มันก็หยุดไปกต่ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกแต่ทุกข์มันก็หายไปแต่ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกก็ช่างไม่ดูมันนะพวกเราเลยนะบางทีกระทุกจะน้องให้ มันก็หายไปแล้วมันเป็นทุกข์ก็น่าจะจดจําไว้ถ้าถูกอารมณ์อีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกเอ้าทําไมมันไม่จดจําไว้มันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันดีเพราะใจเราขนาดนี้อีกต่อไปอีกอารมณ์ไม่ถูกอีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกไม่รู้ว่ากี่หนพันหนชาท่าหนึ่งทำไม่รู้จักว่าอันนี้มันเกิดมาเพราะอะไรก็เลยเป็นทาาของมันเรื่อยไปมันบอกให้ให้ก็ต้องให้มันบอกให้หัวก็ต้องหัว มันบอกให้ยิ้มก็จะยิ้มมันบอกให้โคดก็จะโคดมันบอกให้โกหกก็องหกอันนี้มันธาตุของตาหาจะแท้บวกเราเนาะอืมถ้าว่ามันเป็นตัวเป็นตนโยมันจะยืนตกมือเลยมันไนี่ยธาตดีเดียวเกินบอกให้ห่มันก็ห่บอกให้หัอมันก็หัวบอกให้ยิ้มมันก็ยิ้มบอกให้นอนมันก็นอนบอกให้โกรธมันก็โกรธบอกให้ทุกข์มันก็ทุกข์นะอ่ถ้ามันเป็นตัวเป็นตนมันจะยืนตกมือเฮ้ยเมันไนี่ยธาตดีเดียวเกิน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 อมันเป็นอะไรมันเป็นเพราปลูกว่านในปลูกวันมาเนี่ยปลูกว่านในวันไม่ดีหรืมั้งนะเดี๋ไปหาหลวงพ่อว่านอีฉันนัแนนะไม่ค่อยถูกกันต่อพ่อบ้านเลยมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะอีฉันสงสัยว่าบ้านนี่ถูกจะไม่ถูกดื้อมันนะดื้มันจะไม่ดีนะเออมันเป็นเพราะนั่นเนี่ยอืมเห็นไหมไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปหาดูหมอสิดูไปเถอะ เออให้หมอเขามาทะเลาะเพราะอะไรซตรงนั้นมันเป็นยังง้นตรงนี้มันเป็นอย่างนี้พอทะเลาะกันมาหยุดเพราะพ่อเห็นไม่ไม่เห็นเพราะมันแก่ในถูกที่มันมันก็เป็นกับพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละเพราะนั่นแ่ะพ่อเพราะแม่เพราะมันจะตรงนั้นมันพูดไม่รู้เรื่องกันถ้าบ้านเปมันหัวเป็นมันจีว่าเฮ้ยไปโทษมันนะมันเฉยไอความเป็จริงเราทะเลาะกันไง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 ปล่อยไปตามอารมณ์ใครว่าอย่างนี้ก็ไปตามอย่างนั้นจนว่าอย่างนั้นก็ไปตามอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ฟางทีบ้านนั่งอย่างไม่ได้อยู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้ครับบางทีเขาไปบอกคนโน้นคนนั้นสั่งใจชื่อบ้านนัง น, นีน้เราจะไปดูหมอให้บ้านั่งนี้ก็ามาให้โทษเป็นเพออยู่ไม่ได้ครับคนอยู่บ้านนังนี้ไม่ได้ยี่งต่อไปวันนั้นวันนั้นพ่อบ้านตใจต้องปีนั่นแม่ว่านาจเสียหายหมดคุณต้องขายใต้เนื้กว่า ไม่สบายจะแลไม่สบายไปที่ไหนก็วายงั้นเนี่ยต่อเป็นเคราะอาจะแล้วขายบ้านนะนอนนาก็มบวนการสามวนนอกนานอยู่ไม่ได้แล้วเข็ดทงไม่ได้อยู่ไปต้องขายต้องขายเป็นต้นขายนาดีดีหมดไปชื่อเอานาจีดินรายคนน่ะนาดี นาดีๆสวยๆนาดีๆมีข้าวมีปลามันเก็บทั้งนั้นแหละไปซื้อนาดีดินทรายเออหมดเพาะเลยทีนี้มันเป็นแค่อย่างนั้นนะคนจะมีที่พึ่งที่พาอาศัยนั้นฉะนั้นการฟังธรรมอย่ามาฟังเฉยๆว่ามันติตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะอยู่กันเฉพาอบ้านในบ้านแล้วไม่อยู่กันไปสองวันสามวันนะเราอยู่กันไปตลอดที่ิบเพราะเราจะอยู่กันไปซะแล้วะเป็นต้น พยายามอยู่กันเพื่ใหม้มันทะเลาะกันจะไม่จะมีความสุขอะไรมันนั่งอยู่ในกองไฟเท่านั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยให้เราพิจารณาวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญจะมาอธิบายธรรมะตัดรัดต่อไปในเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งทั้งหลายตั้งควงที่เป็นวิดีดีต้องอันนี้เป็นบันชาด้วยนี่บ้านเราบ้านเรานี่ก็เข้าใจกันว่า มันไม่รู้จักวันพระวันเทนถ้าไม่รู้จักวันพระวันเทนก็ว่ากันนะอัตมาก็ยังไม่รู้จากว่าคนไม่ดูจากวันพระว่ามันไม่ดีทั้นั้นที week, ่นี่เมื่อไปเมืองนอกมาเขาไม่รู้จักวันพระอยิ่งดีมาพวกวันไม่รู้จักวันพระพอตอนเย็นมาออกจากทำงานมานั <emplo> ่งกรรมฐานทุกวันถ้าไม่รู้จักวันพระดีพวกคนมีวันพระอีก ออัตมาก็เพิ่งรู้จ้ะเพิ่งไปมานี่แหละบรรพะไม่รู้จักบรรพะแต่เขามาถูกวัดโดยเกิดเป็นคนถูกต้องดีคนคชมรู้จากบรรพะนะแปลกเมื่อสารเอ้ยอย่างเงี้ยแต่มาก็ไหมโดยจิตท้งเรา่ไม่รู้จักบรรพามันเป็นเศษเป็นผีไม่รู้จักบรรพาบัรเทนอะไรต่ออะไรวุ่นวายว่ากันไปนะอืมไปถึงปุ่มกันดอนไปสุดสมาทานเนี่ยเขาเขามาทุกวันบรรพาไม่มีเลย เดยเลยเลยดีกว่าคนารู้จักวัาพระอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นมันบังไว้เราไม่เห็นมาไปเห็นแล้วเขาดีทุกวันอือนางพยาบาปลปวกดภูโรงเรียนปลกทําการทํางานได้ เ, เลือกงานมากินข้าวกินผานหนึ่งมานั่งกรรมาฐานทุกเลยประมาณสองทุ่มสามทุ่มตับทุกวันไม่ต้องกาบรบัตรพะเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันอาจามากเขาเพิ่งเรียนมาไม่ใหม่เพิ่งรู้จักก็เลยมาบอกญาติโยมเลย วันวันนี้วันพระจริงๆแล้วก็ดีมันตายมันมันมาทุกวันทุกวันเ น, นี่ยมันเป็นใจอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราสังหลายนี่แหละฟังธําไม่ค่อยเข้าใจกันเอฟังธรรมไม่เข้าใจกันแต่แต่พูดยากนะอที่เขาเข้ามาแหละเขามาม า, มานั่งกรรมฐ า, านนิ่งเงียบไม่มีพูดกันนะอ่ะแตมาไปในถึงสองเดือนคนไม่มีที่นั่งเนี่ยเต่ไม่มีใครไปฟังไปชี้แจงเขาฟัง นั่งกรสมานกันเบียบร้อยสิงนนี่ไม่ต้องไปสอนเข า, นนาเลยเรียบร้อยแหละศักษาว่าสิงห์ท น, นี่ไม่มีใครไปทํามันแต่รอกกระแทกกระจายหากินกลางวันเนี่ยเจนจบๆเก็งๆคือตานมอ่าบ้านนอกบ้านนาแล้วบ้านเรามันก็เอาหวัวมันจะฟักได้สี่ทีมันมดแ่มันมีเหลือหลายบ้า น, น, น ตั้งแต่มันหากินตั้งแต่มันเคืนนี่กะเามือเจ้ามันกยังไปข้านหาห้อยมันนึงห้อยกะตายมันเป็นไงปัไายอยู่นู่นเลยอ่าทำเพื่อจักรันหรือทำเพื่ออะไรมาอยู่ว่านองเอาให้มาท้าเกียนถ้ามัข้านที่โค้งแบดแบหาห้อยกะตายย่นโอ้ยนี่เม็นมีอเจ้านาะบนเจ้ห้อยเขาบนหอยตัวแต่นอน วัดเจ้เขาวร้อนนี่เดี๋ว่าะสั่งจะเอาเครงมาฝากกัญไรเอาให้บ้าตัโตวัดกระจายแห็บวมีอยู่ในเมืองขีบะไรเห็นขีม่มาหน่อยเอาตายโดนเดี๋ยวธรรมที่อยากพระบ้านเน่านี่ตายกันน้ายหลายเขาถามอาจาวย์มหาวิจัยาถามว่าท่านอาจารย์เมืองไทที่เป็นเมืองพุทธศาสนานี่เขามาปฏิบัติกันนั่นเขาหวางังพระมีทานหรือเขาหวังอะไรนี่ เขาเนื่กว่าเราจะวันพรนิพพานทุกคนเลยเรื่องศีลนี่นึกว่าเขาว่าจจะจะไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วอาตมาก็าะอายจะต่อบเขาเหมืนกันจุดเทสิจะพระไปพระนิพพานนั่นแหละ่หน่ามันจะไม่ถึงนะมามั้งจะหาสวรรค์นี่ก็ยากหามนุษย์นี่ก็ยากโดยมากหานาล ก, กันหานาล ก, กันหลายกว่าสวรรค์หลายกว่ามนุษย์ ไปรียบเรียบทำไมถึงเป็นอย่างงั้นเนี่ยเมืองไทยจะเป็นรักพุทธศาสนาจะไปฟันิพานมนต์ตคนก็าหาไม่ฮะลูกศิษย์ของคุณนั่นมันดีทุกคนไหมมันตั้งใจเรียนทุกคนไหมมันคารมภูตุคนไหมก็อย่างนั้นเหมือนกันโอเคบเทเสียงวายจะทํายังไงก็อย่างนั้นเหมือนกันจนมีเมื่อนึกให้ถูกต้องตางมาทำอะไรจริงๆแล้วว่านดาวตะวันนี่นะอืก็ให้ ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปโดยธรรมดารักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นอนั่งภาวนาการสอนนั่งภาวนากั น, ก น, น, กนฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้นจะเอาจริงๆอย่างจังนั้นน้อยที่สุดถึงอาตมาเลยคิดว่าบ้านเรานีนักอาตมาที่มาสอนอยู่นี่นถึงยี่สิบสามปัญษาเลยนะสอนธรรมะดีนี้ทั้งห้านาเมื่ออาตมาคิดไปแล้วคิดไปแล้วนะ่ะ ทุกวันนี่แค่ไข่ไก่ะมะพร้าวแห้งเรามาขุดขุดเอาเนื้อมันหมดนานแล้วเดี๋ยวนีขุดจะกลามมัน